ก็อยากจะเอาพระสูตรที่มีความสําคัญนะครับนะคือก่อนนี้จะทํากุศลอะไรแล้วก็จะปรารถนาอะไรก็รู้สึกตะคิดตะขวงใจได้ยินว่าการที่เราตั้งความปรารถนาผลของกุศลนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทําให้กุศลของเรามัวหมองไปเพราะมันเป็นไปนเรื่องของความปรารถนานะครับ ตอนี้เรามาดูที่ว่าพระพุทภาคทรงตรัสไว้ว่าอย่างไงสาหรับเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเราเข้าใจว่าการตั้งความปรารถนาอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นการกั้นอย่างหนึ่งนะครับก็หลายปีมาแล้วนะครับเมื่อทำบุญทำทานก็ไม่กล้าที่จะตั้งความปรารถนากล่าวว่าเมื่อทำกุศล น, นั้นกุศลย่มให้ผลเอง กุศลจะเป็นกุศลอยู่แล้วถึงไม่ตั้งความปรารถนาก็ต้องเป็นกุศลอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาดูที่ว่าพระภุทิภาคส่งกัดไว้ไว่าอย่างไรบ้าง น, นะครับ <c oughs> นี่เป็นเรื่องของปรมัติชโยติกาอัตตกถ า, าคุตกานิกายคุตการปาถะเป็นอัตตกถ า, านะครับแต่อัตตกถ า, าก็อ้างพระพร ะ, อ, ะอ้างพุทธพจน์นะครับไม่ใช่พระอัตตากฐาจารย์ตั้งตัวเองนะครับ นะข้อความในอัตถกาานั้นเนี่ยท่านอัตถกาถาจารย์จะไม่ได้กล่าวอะไรขึ้นมาลอยๆทํานองว่าฉันก็เป็นครูสอนนี่ไม่มีนะครับจะอ้างอะไรสักนิดนึงก็ต้องอ้างมาคุทพธพจน์มาจากสูตรนั้นสูตรนั้นสูตรนั้น น, น, นะนี่เป็นลักษณะของอัตถกถา น, นะครับ เ, เรื่องนี้นะครับอยู่ในขุทธกาณิกายขุทธกาปาฐเป็นพระไตรปิฎกขุทธกาณิกายเล่มแรก นะเล่มแรงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนครืหาบดีทั้งหลายอย่างท่านเนี่ยข้หาบดีผู้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติอย่างสม่ําเสมอนะพึงหวังว่าโอ๋หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่ากษัตริย์มหาศาลก็เป็นฐานนะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปเกิดเป็น เชื่อเจ้านะครับเข้าไปอยู่ในตระกูลของกษัตริย์มหาศาลก็ย่อมเป็นไปได้นะพระผู้มีภาคเจ้าตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาระปัญญาเรามีไหมนะผู้ใดนะครับ ประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาภิกษุนั้นปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเรากรรษัตริย์มหาศารภิกษุนั้นตั้งจิตอย่างนั้นอธิสถานอย่างนั้นเจริญจิตนั้นสังขารปัจจัยเครื่องปรุงแต่งและวิหารธรรมเครื่องอยู่เหล่านั้น อันภิกษุนั้นจเจริญให้มากอย่างนี้ทำให้มากอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นนะเพราะนั้นอธิษฐานว่าขอให้เกิดเป็นกรรษัตริย์มหาศาลเนี่ยนะยังเป็นไปได้จะป่วยกล่าวไปยัยว่าขอให้เป็นแค่เศรษฐีนะครับหรือว่าขอให้อ่ชาติหน้าเมื่อเราเกิดมาแล้วก็อย่าได้ขัดสนนะครับเรามีสิทธิ์ที่อธิษฐานได้และการอธิษฐานนั้นเนี่ย จะมีผลหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับหนึ่งท่านมีศรัทธาไหมเนี่ยเดีย๋ยวนี้นะตอนที่ท่านเนี่ยทำกุศลเนี่ยมีสุดตะมีจารค้ามีปัญญาไหมแต่ถ้ามีสิ่งเหล่านี้นะท่านอธิษฐานนะสิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นแนะ่พระภูมิภาคเจ้าตัดต่อไปว่าเทวดาและมนุษย์ปราถนาซึ่งอิทธผลใดอิทธผลก็คือรู้แล้วใช่ไหมอิทธผลนะผลดีนะอิทธผลทุกอย่างนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วย บุญนิธินี้ถ้าหากว่าถ้าทำกุศลนะไม่ว่าทานศีลภาวนาเนี่ยนะมันเป็นชื่อว่าบุญเนี่ยก็ชื่อว่าบุญยะนิธินะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ที่บายให้ฟังนะครับอันนี้ความหมายเปย็นไงนะสมบัติของมนุษย์ใดความยินดีใดในเทวโลกและสมบัติคือพระนิพพานใดอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญนิธินี้ อย่าวัดตัดตนี้เลยนะครับแม้แต่หวังนิพานก็ยังได้ถ้าว่าท่านมีศรัท ธ, ธามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาค้ามีปัญญานะตัดเลยสุดไปนู่นเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวถึงว่าเราจะปรารถนาว่าเออเราเกิดมาชาติหน้านั้นก็ขอให้อยาเราได้ขัดสนเลยแต่ถ้าจะให้ดีนะเราควรจะตั้งเลยไปว่าเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสบาเพ็ญกุศลต่อไปเพื่อท่าจะพ้นจากวัตตะอันนี้ยิ่งแจ๋วใหญ่เลย นะครับถ้าหากว่าท่านอธิษฐานอย่างนี้นะเป็นไปได้ไหมครับต้องต้องดูว่าเราต้องการใกล้หรือไกลด้วยก็ต้องการเดินทางยาวอีกหน่อยนะก็ต้องควรตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าปรารถนาจะพ้นทุกเลยก็ก็ไม่ต้องไกลขนาดนั้นก็ได้ แต่คุณธรรมคือศ ร, รัทธาศีล ส, สุตะจากขะปัญญาเนี่ยห้าอย่างเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเพื่อถึงเป้าหมายนั้นๆ น, น, นะเช่นเป้าหมายของเราก็คือกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลหรือว่าเป็นเทวดาพรหมแม้กระทั่งการบรรลุเป็นพระอริยเจ้าตัวปฏิปทาจริงๆก็คือ ศรัทธาศีลสุตะจากขะปัญญาแล้วแต่เราจะน้อมคุณธรรมอันนี้ไปเพื่ออะไรแต่ว่าคุณธรรมเหล่านี้จะให้ผลได้ก็สมควรแก่แก่ศรัทธานั้นๆด้วยคือจะสําเร็จเราก็ต้องมองว่าศรัทธาคู่ควรแก่ธรรมะอันนั้นไหมนะศรัทธาสมมติถ้าหากว่าเราตั้งความปรารถนาว่าโอเอ๋ยอย่างอื่นนี่มันเป็นอุปธิเหมือนกันเลย มนุษย์ก็ไม่เที่ยงมนุษย์เกิดมาแล้วมันทุกเทวดาก็เพิดเพลินในกาลมาคุณเกินไปพรมมันก็อาจจะไปไม่ดีนักเหมือนกันลจากความเป็นพรมแล้วมาเกิดอาจจะไปสู่อาบายอีกจะเดินสายตรงเลยตรงนั้นก็คือตรงมัชชิมาปฏิปทาตรงอริยมรรคประกอบไปด้วยองแปลสัมมาทิฏฐิเราเพียงพอไหมก็ต้องมาสอบสวนดูคุณธรรมต่าง เพราะธรรมะเหล่านี้ที่เป็นปฏิปทานนั่นน่ะเราต้องมีความชัดเจนจริงๆอย่างเช่นจะเกิดเป็ น, เ, ปนเทพพยาเจ้าเนี่ยนะศรัทธาศีนสุตตะจาระปัญญาคู่ควรไหมต่อการเป็นเทพพยเจ้าวันนี้นั่งรถมาก็คิดถึงเรื่องของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพบะะพบภพเป็นปัจจัยแก่ชาติ ไอ้กามุปาทานนันนี่เนี่ยมันตั้งเป้าหมายเลยว่าอะไรนะเพราะว่าทุกคนกล่าวได้ไหมว่ า, าชีวิตเราไม่เป็นไปกับกามุปาทานเป็นไปไม่ได้เพ้ฉ น, นชีวิตของผู้ที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้านะยังไงก็ต้องเป็นอย่างน้อยที่สุดคือกามุปาทานจริงอยู่คุณอาจจะไม่ปรารถนาแบบที่เรียกว่ามนุษย์อ่ เทวภพหรือว่าเป็นภพชั้นสูงตาแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังยินดีในอาคารบ้านเรือนของเรานึกถึงบ้านด้วยความยินดีนึกถึงโลกนึกถึงหลานนึกถึงเพื่อนนึกถึงอะไรด้วยด้วยความยินดีนั่นแหละเป็นตาม u t ปาทานเมื่อกา m u t ปาทานเหล่านี้มีอยู่พฤติกรรมคําพูดก็เพื่อเพื่อให้เข้าถึงอันนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็ตัวพฤติกรรมจริงๆก็คือตัวเจตนาที่เป็นเหตุ ให้เกิดผลนั้นๆขึ้นมาสมมติถ้าหากว่าผู้ที่ยินดีในลูกหลานเป็นต้นในความยินดี น, นี้เป็นกามุปาทานเมื่อเขามีกามุปาทานอย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีการของเขาก็จะเกิดขึ้นในที่สุดเขาก็จะได้สมความปานาคือมีลูกมีหลานนั่นแหละสักระยะหนึ่งเขาก็จะมีลูกมีหลานเหมือนกับที่เขาคิดเอาไว้ หรือคนที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเขาก็คือนั่นคือกามุปาทานของเขาดังนั้นถ้าไปยินดีในอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละเป็นกามุปาทานอ่าทีนี้เมื่อกามุปาทานอันนั้นเนี่ยบางคนก็เป็นกามุปาทานแต่มองเลยไปอีกเออนะถ้าหากว่าชั้นไปเกิดเป็นเทพก็จะมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนจะไปพ้นที่พบนั้นๆพนี้เรามีแรงน้อยหือเกินย คือจากสมมุติว่าบางท่านเนี่ยนะอย่างเกิดมาฐานะไม่ดีเลยอะ่ะถ mm. ้าบอกว่า mm. ได้ยินแต่คําว่าไม่มีถามว่าข้าวมีไหมไม่มีถามหมากับมีไหมไม่มีถึงกับเบื่อหน่ายเลยนะก็มีทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาแล้วไอ้คำว่าไม่มีนี่อย่าได้ยินอีกต่อไปนั่นแหละอย่างอย่างประวัติของท่านพระอนุรทธาเนี่ยท่านเกลียดที่สุดเลยคาว่าไม่มี เพราะฉะนั้นแม้แต่ใครบอกว่าขนมไม่มีเนี่ยยังเป็นขนมอีกพิเศษชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกขนมไม่มีนั่นแหละทันบางคนนี่ก็เป็นลักษณะนั้นเขาก็ตั้งเป้าหมายเพื่อเพื่อให้มันได้พบที่ดีขึ้นอย่างสมมุติถ้าหากว่าหลายๆท่านนะจะมาฟังทำอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่อยู่ในฐานะระดับหนึ่งจริงๆมาไม่ได้ใชบางคนก็ อยากจะมานะแต่ก็มาไม่ได้บางคนก็วัยสูงเกินไปบ้างบางคนก็ยวดยานพาหนานที่จะมาไม่สะดวกบ้างไกลเกินไปบ้างแม้โอกาสที่จะเจริญกุศลอย่างยากถ้ายิ่งไปอยู่ในภพภูมิที่ต่ำกันนี้ด้วยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยฉะนั้นภพภูมินั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วตั้งความปรารถนานนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปถึงภพนั้นแต่ถึงภพนั้นเพื่ออะไร ต้องถามต่อไปอีกไม่ใช่แค่ไปถึงแค่เฉยนั่นแหละมันก็เหมือนกับกาศาสกะสัมประชัญญะนะเออจะไปที่นั่นไปทำไมไปถึงแล้วจะเจริญอะไรต่อไปบ้างนั่นแหละเราจะบอกว่าไม่ไปไม่ได้ใช่ไหมผู้ใดที่ไม่ต้องมีจุติปฏิสมทิคือใครบอกพระอารหรันเออาแล้วพระอารหันเนี่ยท่านเห็นอะไรท่านรู้อะไรท่านจึงเป็นพระาอารหรันแล้วเราเนี่ย ตั้งเป้าหมายว่าเราจะรู้แบบท่านไหมถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายจริงๆว่าเราจะรู้แบบท่านนะการไปการมาของเราเนี่ยอีกไกลกว่านั้นทางของเราอีกไกลแต่ถ้าหากว่าตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะเห็นแบบท่านนะตั้งเป้าหมายเพื่อที่ว่าพระอรหันต์ท่านรู้อะไรท่านเห็นอะไรอาสวะของท่านจึงสิ้นไปท่านจึงเป็นพระขีนาศพใช่ไหมประการเห็นอะไรจึงจะเป็นพระขีนาศพได้ รู้เห็นอริยสัจนั่นแหละทีนี้ก็ต้องดูด้วยว่าในชีวิตวันๆหนึ่งเนี่ยนะคำว่าอริยสัจเป็นต้นเนี่ยเราคิดถึงได้วันละกี่ครั้งถ้าหากว่าคิดถึงคําเหล่านี้น้อยเดี๋ยวอย่าว่าเห็นนะขนาดคิดถึงยังไม่เคยจะคิดถึงเลยเนาะนั่นแหละเหมือนกับคําว่าทีนี้ในทุกขสัจนั้นทุกขสัจได้แก่ขันห้าอายตนาสิบสองท่าสิบแปดท่านพวกนี้เนี่ยเรานึกถึงบ่อยไหมถ้านึกถึงน้อยอีก แม่อาสะวะจะไปสิ้นได้ยังไงเพราะอาสะวะที่สําคัญที่สุดนะเบื้องต้นนั้นจะต้องรู้จักอวิชชาสะวะก่อนอ น, นะที่จริง อ, อวิชชาสะวะเนี่ยมันอยู่ท้ายสุดก็จริงแต่ถ้าไม่รู้อริยสัจไม่รู้ อ, อวิชชาเนี่ยก็คือข้อสุดท้ายคือไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทังนั้นอวิชชาระดับนี้เราต้องละให้ได้ก่อนเพื่อให้เห็นปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เห็นเนี่ยขันนี้ธาตุนี้อายตนะ พะันความรู้ในเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยเป็นการละโมหะนั่นแหละเป็นการละโมหะเรียกว่าอาวิชชาสะวะเพรา ะ, ะนั้นไอความรู้อันนี้เนี่ยต้องขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเลยนะชัดเจนที่สุดก่อนเลยทุกขสัต์คืออะไรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องของทุกขสัต์จริงๆเลยอวิชชาก็เต็มหัวใจทีนี้บอกโอ้าฉันจะไม่ตั้งความป่าถนะ ไอความคิดอันนั้นก็คือความปรารถนาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นความยินดีในความคิดอันนั้นเหมือนกันนั่นก็คือการตั้งความปรารถนานั่นแหละแต่ถ้าหากว่าผู้ที่รู้เรื่องของอริยศาสตร์ดีสา ม, มารถแยกได้เลยว่านี่คือพูดแบบทั่วที่เราคุ้นกันก็คือนี้วัตถุนี้อารมณ์นี้วิญญาณ น, นี้พัสสันี้เวทนาจนว่านี้คือความคิดหรื อ, อวิตกที่มาตรึกเรื่องราวเหล่านี้ หรือนี้คือสติที่มาระลึกเป็นไปกับธรรมะเหล่านี้อันนั้นเป็นมโนวิญญาณสิ่งเหล่านี้ไม่น่ายินดีสักอย่างหนึ่งเห็นเหตุเห็นผลเห็นปัจจัยหน้าเบื่อหน่ายแล้วถ้าแบบนั้นเนี่ยไม่ตั้งความปรารถนาแน่เพราะเริ่มเห็นโทษของแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างไม่น่าไม่น่าอภิรม์เลยนะเป็นการเจริญธรรมะประเภทสัพพะโลเกอนัพีรตสัญญา เขาบอกว่าทุกอย่างในโลกไม่น่ายินดีแม้แต่ความคิดอันนั้นก็ไม่น่ายินดีด้วยแต่ส่วนหนึ่งทั่วไปคนก็จะยินดีในความคิดอันนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เจริญธรรมะประเภทเบื่อนายในการออกจากวัตฏะอันนั้นเขาพร้อมที่จะจากไอ้ความคิดอันนั้นด้วยอย่าว่าอารมณ์ภายนอกเลยเขาบอกว่าเขาเบื่อนายแม้กระทั่งความคิดอันนั้นเขาจึงจะพ้นทุกข์ได้นั่นแหละถ้าจะเอาแบบชั้นสูงเลยเอาแบบเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเลยเพราะว่ามันจะต้องเห็นโทษ ทั้งหมดเลยนะเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยพิจารณารูปอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตอีกดวงหนึ่งมีใครว่ามีมหากุศลดวงหนึ่งไปพิจารณารูปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตอีกชนิดใหม่เกิดขึ้นมามาพิจารณาจิตดวงก่อนนั่นแหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตดวงใหม่มาพิจารณาดวงเมื่อกี้ไปอีกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ซ้อนกั น, น, เ, นกเป็นสิบครั้งนั่นแหละเขาซ้อนกันเป็นซ้อนซอนกันอย่างเงี้ยเป็นเป็น10บสิครั้งอันนี้ถ้าหากว่าความรู้ระดับนี้ไม่มีอ่าเรียกว่ามัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิ จ, จะไม่เกิดอุทยพยาญยาจะไม่เกิดเลยถ้าไม่สามารถที่จะรู้ได้ระดับนี้อันนั้นที่จะอุทยพยาญยาไม่เกิดปั๊บวิปัสสนูปกิเลสจะไม่เกิดถ้าวิปัสสนูไม่เกิดนะมัคคามัคคยานทัศนะเราไม่รู้หรอกมันเป็นยังไงนั่นแหละ มคามัคคยานทะัศนวิสุทธิจะไม่เกิดรู้ว่าเออนี่เป็นทางหรือไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเจริญเพื่อเจริญกุศลเพื่อกุศลอบรมปัญญาเพื่อปัญญาพิจารณาเพื่อการพิจารณาต่อไปนั้นอะ่ะมันต้องพิจารณาอารมณ์ด้วยพิจารณาจิตที่ไปพิจารณาอารมณ์นั้นด้วยพิจารณาซ้อนกันไม่รู้เท่าไหรเพราะคนที่พิจารณาได้ระดับนี้นั้นรู้เรื่องปัจจัยของแต่ละอย่างเป็นอย่างดีรู้ปัจจัยของอารมณ์นั้นเป็นอย่างดี รู้ปัจจัยของจิตที่ไปพิจารณาอารมณ์นั้นเป็นอย่างดีรู้รู้ปัจจัยของการไปพิจารณาอย่างนั้นอีกเป็นอย่างดีนะเรียกว่ามันรู้จนละโมหะไดะ้นั่นแหละรู้จนละความเห็นผิดได้ถ้าไม่รู้อย่างนั้นจริงๆก็มันก็ผิดตลอดไดั่แหละคือส่วนใหญ่นั้นปุถุชนผู้ทั่วไปผู้ไม่ใส่ใจในคําสอนหมวดใดหมวดหนึ่ง อย่างน้อยๆก็เป็นอุปาทานอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นถ้าไม่เป็นอุปาทานก็ต้องเป็นสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งในสังโยชน์สิบไม่ค่อยพ้นหรอกลองไล่ๆดูกันแล้วกันต้องเข้าข้อใดข้อหนึ่งอย่างน้อยที่สุดนะเข้าข้อไใดรู้ไหมอวิชชาสังโยชน์เพราะหนึ่งเราไม่กุศลจิตไม่เกิดเมื่อกุศลจิตไม่เกิดนะโลภะเอก็ไม่เกิดนะเที่ยวไปยินดีก็ถึงกับไม่มีอะไร เห็นผิดเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องมานะเรื่องอะไรไม่มีไ อ, มมอ้ซึมซึมเซอเซอนนั่นแหละคืออวิชชาสังโยชน์อวิชชาเนี่ยผูกเรียบร้อยแล้วนั่นแหละขณะทำตัวเฉยเฉยนะจ๊ะไม่ให้มันยินดียิ น, ย น, ย น, ยนร่ายอะไรสักอากขณะนั้นอวิชชา ย, ยังเอาไปกินอีกนะเพราะฉะในเรื่องตรงนี้ก็ต้องวินิจฉัยให้ละเอียดจริงๆถ้าจะหาว่าจะเดินสายตรงเลยจรงิงๆน ะ, ะถ้าจะเอาตรงแบบไม่ตั้งปรารถนาอะไรสักอย่างเลยเนี่ยต้องวิจัยพวกนี้อย่างละเอียดจริงๆ ถ้าหากว่าไม่วิจัยไม่รู้อะไรสักอย่างบอกอะไรก็ไม่เอาแต่เอาความคิดอันนั้นอันเดียวก็ยังเอาอยู่ดีนั่นแหละแสดงว่าอำนาจของโลภะเนี่ยมีหลายชั้นซับซ้อนมากเลยนะจะเห็นว่าเมื่อกี้ท่านบรรยายนผมก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนี่นะครับว่าเมื่อเมื่อจิตพิจารณาสมมติว่าพิจารณาวิบากจิต จิตเห็นจิตได้ยินในพวกนี้นะกพิจารณาแล้วเนี่ยว่าเออมันมีมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะมีปัจจัยอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้มันดับอย่างนี้รู้รทั่ววะเรียกว่ายาตะปริญญานี่ยนะนะรู้เสร็จแล้วไอ้จิตตัวที่ไปรู้นั่นน่ะมันเป็นมหากุศลญาณสัมปยุทธนะแล้วเราก็มารู้ไอ้ยาณไอจิตมหากุศนยาณสัมปยุทธอีกทีหนึ่งว่าเออไอ้จิตเมื่อกี้นี้ที่พิจารณาไปนั้นเนี่ยมันก็มาจากเหตุจากปัจจัยใช่ไหมครับ แล้วก็หลังจากได้พิจรารณาไปแล้วก็มีจิตอีกดวงอีกแล้วมาอีกว่าเออเมื่อกี้นี้นะไอ้มหากุศลนั่นน่ะก็เป็นอีกใช่ไหมครับเจเจตผาส ม, <Okay. S 1> มมุติว่าถ้าไม่ทํนะ า, านี้นะะถ้ามีพิจารณานี้นะไอ้อภิชาและโทมนะก็จะโดยมาอภิชาอกินอีกแล้วใช่ไหมครับเจเจตผาทันธรรมะที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือเมื่อธรรมะวิจยะสมโพธชงมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่า ธรรมวิจยะสัมโพธชงมีอยู่ณนะภายในจิตนนคือไอธรรมวิจยะก็คือตัวที่ไปวิจัยในเรื่องของอริยศาสตร์นะเมื่อไอตัววิจัยนี้มีอยู่ก็รู้ชัดไม่มีก็รู้ชัดถ้าไม่มีแล้วจะมีด้วยประการใดก็รู้ชัดถ้มามีแล้วจะอบรมต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดมานนี่เราว่าวิจัยซ่อนวิจัยเลยนะครั บ, บครนะ วิจัยคณะนี้เสร็จแล้วนี่นะครับมีคณะนึงมาวิจัยซ้อ น, นอีกทีหนึงนะโอ้โหนี่ศา ส, สนาพูทนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยนะเจเป็นของละเอียดเป็นของที่เรียกว่าถ้าจะละนะเกลี้ยงเลยอ่ะก็ไม่เหลือเลยไม่มีอะไรหน้าหน้าอภิรม์ทั้งอย่า ง, <S <S เ, งเพราะว่าแม้แต่ปัญญานั้นก็เป็นสังขารธรรม <S <S ปัญญานั้นก็เป็นสังคตธรรม <S <S แต่ปัญญานั้นนะผู้ที่ยังไม่ถึงฝั่งอย่าปล่อย นนแม้จะเป็นทุกษัตริย์ก็เถอะถึงเป็นทุกษัาสตร์ก็เอถอะบอบอกโอ้ยผมเนี่ยปล่อยหมดแล้วว่างั้นกลัวยึดถือนะแต่ก็ยังไม่ทันข้ามไปที่ไหนเลยนะยังไม่มีเรือซักลำหนึ่งแต่บอกไม่ยึดถือเรืออย่างเงี้ยมันก็พูดยากกันนะอันพระองค์ก็สอนธรรมะเหล่านี้ว่าเบื้องต้นพระองค์ก็สอนว่า ก, กุศลธรรมทั้งหมดเหมือนกับทุ่นเหมือนกับแพรที่จะช่วยให้เราข้ามฟากพอไปถึงฟากจริงๆก็ไม่มีใครแบกแพรไปด้วยหรอกนั่นแหละ แต่ไม่ใช่ว่าบางบางท่านนะพระรูปหนึ่งท่านกล่าวว่าพวกที่ศึกษาธรรมะเนี่ยปรารถนาพบทั้งนั้นแหละใช่ไหมจึงศึกษาธรรมะกันน่ะแต่ท่านทำอะไรรู้ไหมไม่อยากเล่าเลย น, ะนั่งสดกาแฟดูดบุหรี <c> ่ <oughs> อาบัตใหญ่ๆก็ยังละไม่ได้ <c oughs> เป็นอาบัตตั้งหลายข้อล้วก็นึกว่ามันได้ขนาดนี้ <c oughs> แต่ยังสงสารท่านอยู่เหมือนกันเรื่องว่าเขาไปติดเนี่ยนะครับถ้าจะถ้าเรา <c oughs> ถ้าเรายังไม่เคยที่จะเจริญปัญญาขั้นสูงขนาด น, นั้นเนี่ยนะครเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราติดในความดี <c oughs> ติดในกุศลจิตติดในความดีเนี่ยเห็นชัดเลยอะ่ะถ้าเราคิดว่าเราทําความดีแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราเราก็ไปติดอีกเนี่ยนะฮะถามว่าดีไหม เจริญพรก็คือไอตัวที่ติดตัวความติดเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นแหละนั่นแหละแต่ว่าไอตัวความดีเนี่ยพระองค์สอนให้เจริญแต่อีกในหนึ่งนะเราคิดดูว่าถ้าเราจะพ้นทุกข์ในในภพนี้เลยเราถามดูเราว่าเราปฏิสนธิด้วยปฏิสนธิจิตชนิดไหนถ้าเราเป็นทวิเหตุกะนะถามว่ายังไงภพนี้เราได้บรรลุไหมถึงจะตั้งเต้าไม้จริงๆอ่ะได้บรรลุไหม ไม่ได้บรรลุพราะผู้ที่จะได้ตต่สรู้ธรรมนะต้องปฏิสนธิในภพที่เป็นติเหตุกะนะต้องเป็นติเหตุกะบุคคลจึงจะได้บรรลุพันธ์นการปรารถนามนุษย์สมบัติเทวสมบัติภพภูมิต่างๆก็ตามถ้าหากว่าตั้งความปรารถนาเพื่อภพเหล่านั้นแล้วจะได้มีสติปัญญาศึกษาพระธรรมคําสอนง่ายก็เป็นภพที่ดีด้วยําไปคือท่านก็บอกว่าถ้าขณะนี้ไม่พ้นอ่ะ แต่ส่วนใหญ่แล้วแหมพ้นยากเหลือเกินเพราปฏิปทาของการพ้นทุกข์ศีลวิสุทธิก็ยังไม่บริบูรณ์นักอ่ะนะศีลวิสุทธิเนี่ยนะสังเกต ด, ดูข้อ อ, อินทรีย์สังวรศีลเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยคืออินทรีย์สังวรศีลก็คือเป็นจิตของคนที่ปราศจากโทษเลยผู้ที่รักษาอินทรีย์สังวรศีลได้นะน่ากราบไหว้ที่สุดเลยเพราะว่า เห็นแล้วโลภะจิตท่านไม่เกิดอ่ะได้ยินแล้วโทสะโมหะไม่เกิดไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะหูได้ยินเสียงไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจมูกรู้กลิ่นไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะลิ้นรู้รสไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะการกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะคิดนึกในธรรมารมณ์ทั่วไปก็ไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะฮันจิตเนี่ยเป็นกุศลได้อย่างต่อเนื่องเลย นี่ก็น่ากราบไหว้ระดับหนึ่งแล้วมันแค่แค่กุศลศีลที่เป็นกุศลชั้นนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายถ้ากุศลเหล่านี้ไม่บริบูรณ์จริงๆธรรมวิจยะสมโพธชงเนี่ยมันเกิดได้ไม่ต่อเนื่องหรอกอกุศลจิตเนี่ยต้องเกิดอย่างต่อเนื่องจริงๆนะจึงจะบรรลุอริยสัจได้ก็บอกเอ๊ะแวบๆเนี่ยจะพอบรรลุได้ไหมเราก็คิดดูนะถ้าเราจะหุงข้าวเนี่ยนะไฟติตดๆแ บ, บดับเนี่ยคิดว่าหุงสุกไหมข้าว คงไม่สุขดังนั้นการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการทําอย่างต่อเนื่องสาตัดจกิริยากิริยาที่การกระทำอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นลําดับการปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าไม่ประมาทแต่ถ้าปฏิบัติหยุดๆเขาบอกว่าเหมือนกับกิ้งก่ามันวิ่งะนะวิ่งจี้หยุดวิ่งจี้หยุดเมื่อไหร่จะถึงฉัน้นใดการเจริญกุศลธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่ต่อเนื่องจริงๆเนี่ยยาก อย่างข้อความในสติปัฏฐานสูตรกล่าวว่าตั้งแต่บอกว่าผู้ใดเจริญสติปัฏฐานเจ็ดปีได้ผลสองอย่างใช่ไหมอ่ะคืออรหัตผลถ้ายังมียังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีท่านก็ลดมาเรื่อยๆเร่อยๆเรืๆเรเหลื อ, อ, อ, อที่สุดเจ็ดวัน่ะนะแสดงว่าถ้าคนธรรมดาทั่วไปกุศลจิตอย่างน้ น, น, นเนีนยต้องเกิดตระดับเจ็ดวันจึงจะได้ตรัสรู้ทำได้แต่คิ ด, ดูนะ ท่านพระรัฐบาลท่านบวชไม่นานก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ไอ้ไม่นานเนี่ยเท่าไรารู้หมสิบสองปีสิบสองปีของพระรัฐบาลพระรัฐบาละซึ่งซึ่งท่านแค่ว่าอดข้าวบวชอะอดข้าวประท้วงบวชังั้นการที่จะบรรลุอริยสัจนั้นเราต้องเข้าใจเพราะการบรรลุอริยสัจนั้นก็คือการแทงตลอดอริยสัจสี่ซึ่งถขาบอกว่าผู้ที่จะแทงตลอดอริยสัจสี 4, มันก็เหมือนกับ เงื้อมมือไปจับภวะกระพมนั่นแหละนั่นแหละอย่างเอามืออย่างลงไปในเวจีมันเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งขนาดนั้นที่มันละเอียดลึกซึ้งขนาดนั้นนะเรามาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าผู้ไม่เคยวิจัยเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆแล้วนะจะรู้ว่านึกว่าไม่มีอะไรจริงๆแล้วหูมีมากมายมหาศาลเลยนะชีวิตทางตาของเราเนี่ยแม้แต่รูปารมเนี่ยนะ สมุธฐานสี่ก็จริงเราก็ฟังเออไม่ยากนะรูปารมณ์มีสมุธฐานสี่กรรมจิตอุตตูอาหารมาคิดต่อไปอีกนะว่าเกรรมที่ทําให้เกิดรูปารมณ์เนี่ยเป็นกรรมชนิดไหนเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมได้ไหมอุปชาเวทนียกรรมได้ไหมอัปราระเบยะเวทนิยกรรมได้ไหมเป็นชนกกรรมไหมเป็นคารุกรรมไหมอาจินนกรรมอาสันนกรรมพวกนี้เอามาวิจัยหมดเลยนะในเรื่องกรรมมันนั้นใช่ไหม ในในเรื่องรูปนั้นโดยที่มีกรรมเป็นปัจจัยรูปบางอย่างมีจิตเป็นปัจจัยแล้วจิตมีกี่ดวงที่เป็นปัจจัยแก่รูปใช่ไ้มก็ต้องมานั่งวิจัยเรื่องจิตที่เป็นปัจจัยแก่รูปนั้นๆด้วยถ้าโลภะจิตเป็นปัจจัยรูปจะเป็นอย่างไรโทสะจิตเป็นปัจจัยนี่รูปจะเป็นอย่างไรนะสีจะเป็นยังไงถ้าโมหะจิตเนี่ยจะเป็นสีลักษณะไหนถ้าเป็นมหากุศลจิตสีจะเป็นลักษณะไหน แล้วจะรู้ทั้งภายในรู้ทั้งภายนอกแล้วอาหารชโรปะรูปที่เกิดจากอาหารนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันในะรูปที่เกิดจากอาหารถ้าอาหารระดับนี้นะคนนี้มีผิวพรรณแบบนี้ถ้าอาหารระดับนี้สีหน้าแบบนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องอาหารอีกแล้วศึกษาเรื่องอุตุอีกอุตุมีอิทธิพลต่อสีนั้นๆอย่างไรนั่นแหละฉันแสดงว่าคนนั้นนะอย่างน้อยที่สุดต้องสังเกตรูปอารมณ์ของตัวเองค่อนข้างมาก น, นี่คือสีแล้วเสียง่ะ